จะพึ่งทางไหนพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนซึ่งมีอุปมาเหมือนอย่างว่า เป็นภูที่ชูประทิบคือแสงสว่างในที่มืดเพื่อให้บุคคลผู้มีดวงตาได้มองเห็นทางที่จะเดิน พระธรรมนั่นเป็นที่พึ่งในฐานะที่เป็นทางเดินหรือเป็นทางที่จะดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีบให้มองเห็น ประสงค์นั้นเป็นสาระคือที่พึ่งในฐานะที่ได้เป็นภูที่มีดวงตาและลืมตาขึ้นมองเห็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชูดวงประทีปส่องให้มองเห็น และก็ได้ดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นนั้นบรรลุถึงความสุดแล้วอันเป็นพยาน หลักฐานที่ทำให้มีความอุ่นใจว่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทีปให้มองเห็นนั้นเป็นทางนำไปสู่ความสวัสดีจริง และเป็นภูที่และเป็นทางที่มีภูได้เดินไปแล้วจริงบรรลุถึงความสวัสดีจริงเป็นตัวอย่างทำให้มีความอุ่นใจทำให้เกิดชันทะในอันที่จะเดิน พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งในฐานะดังที่กล่าวนี้ส่วนตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองนั้นก็คือตนเองจะต้องลืมตาขึ้น มองดูทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่งประทีปให้มองเห็นและตนเองก็ต้องเดินทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่งให้มองทรงส่งส่งให้มองเห็นนั้นไปด้วยตนเอง จึงจะบรรลุถึงความสวัสดีด้วยตนเองเหล่านี้ต้องพึ่งตัวเองท้งนั้นถ้าหากว่าตนเองมีจักูุบดเพราะความเป็นอันธพาล ที่แปลว่าเป็นภูเขาเหมือนอย่างตาบอดก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะมองเห็นทางได้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความมังเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้า เพราะความเป็นอันตรภานของตนเองแต่ว่าทาระความเป็นอันตรภานได้จึงจะสามารถมีจักูุคือดวงตาที่จะมองเห็นทางและแม้ว่า บุคคลที่ตาดีมีจักสุคขขุณ ด, ดวงตาที่สามารถจะมองเห็นทางได้แต่ถ้าหลับตาเสียไม่มองก็ไม่สามารถจะเห็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องประทพให้เห็นได้เช่นเดียวกัน ก็เป็นอันว่าไม่ได้รับประโยชน์จากความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าส่วนบุคคลที่มีตาดีและไม่หลับตาลืมตามองดูทางที่พระพุทธเจา้าทรงส่องให้มองเห็นเห็นทาง และก็ได้เห็นได้รู้ว่าเป็นทางที่มีความสวัสดีมีภูที่เดินทางไปแล้วบรรลุถึงความสวัสดีคือพระสงค์เป็นพยานหลักฐานจึงดำเนินไปตามทางที่ พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นนั้นดังนี้เรียกว่าพึ่งตนและพึ่งพระธรรมด้วยก็คือดําเนินไปตามทางอันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นและก็ได้ชื่อว่าพึ่งพระพุทธเจ้าด้วย เพราะว่าได้อาศัยประทีปที่พระพุทธเจ้าทรงส่งให้มองเห็นคือคําสั่งสอนของพระองค์และได้ชื่อว่าพึงประสงค์ด้วยเพราะว่าประสงค์เป็นภูที่ได้เดินทางไปบรรลุถึงความสวัสดีแล้วเท่ากับว่าประสงค์ได้เดินนําหน้าอยู่ ในทางอันสวัสดีนั้นก็เดินไปตามทางที่ประสงค์ได้เดินไปนั้นนั่นเองฉะนั้นจึงต้องพึ่งพระพุทธเจา้าต้องพึ่งพระธรรมต้องพึ่งพระสงค์และต้องพึ่งตนเอง ดังกล่าวทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและมีตนเองเป็นที่พึ่งเมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงจะดำเนินไปคือปฏิบัติดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่งประทีปคือทรงแสดงสั่งสอนเดินทางไปในเอกายตมักเอกายะตนมักคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงทุกโทมนัสเพื่อล่วงโสกะบริเทวะเพื่อบรรลุธรรมที่พึงบรรลุเพื่อกะทาให้แจ้งสึ่งนิพพานมันเป็นความดับทุกข์ เพราะฉะนั้นที่พึ่งดังกล่าวนี้จึงเป็นที่พึ่งอันสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนและเมื่อได้มีที่พึ่งจึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเข้ามาโดยตรง ซึ่งแปลความว่าให้ท่านทั้งหลายมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งคือปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่อันเป็นเอกายตนะมักทางไปอันเอกย่อมชื่อว่ารักษาตนเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วย ได้แสดงสติปัฏฐานในข้ออาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกจะได้แสดงถึงวิธีปฏิบัติ ของพระอาจารย์ที่สอนในภายหลังนี้โดยที่วิธีหนึ่งก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไปกับพุทโทพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกวาดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อน อันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่าลมปราณก็มีเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิตของบุคคล และทั้งสัตว์เลดิฉันทั่วไปเพราะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็แสดงว่ามีชีวิตและเมื่อมีชีวิตก็มีความดำรงอยู่ เป็นสัตว์บุคคลผู้มีชีวิตจึงได้เรียกสัตว์บุคคลที่มีชีวิตว่าปาโนแปลกันว่าสัตว์มีชีวิตหมายถึงได้ทั้งคนทั้งสัตว์เดเดชาน และปาโนโที่แปลว่าสัตว์มีชีวิตนี้ตามศั์ก็แปลว่าสัตว์มีปรานสัตว์มีปรานก็คือว่ามีลมหายใจลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้เรียก และยึดถือสัตว์บุคคลภูที่มีลมปราณคือมีชีวิตอยู่ว่าอัตตาหรืออัดมันซึ่งแปลตามศัพท์ว่าภูหายใจ มาแต่ดั้งเดิมความเป็นสัตว์บุคคลที่ดำรงชีวิตอยูน่นี้ก็เห็นได้ง่ายว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่จึงได้เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันตัวตน ซึ่งตามสัตว์แปลว่าภูหายใจภูหายใจเข้าภูหายใจออกนั่นเองและเรื่องด้วยในสัตว์บุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่นี้ยังมีความ รู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขจึงเรียกวเวทนาอันเป็นอาการของจิตใจฉะนั้นสัตว์บุคคลที่ยังให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขและเพราะเหตุที่มีเวทนาอยู่นี้จึงเรียกว่าอัตตาหรืออัตมัน ซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้กินเป็นผู้เสวยก็คือกินสุขกินทุกข์กินกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขหรือสวยสุขสวยทุกข์สวยกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขฉะนั้น จึงมีคำแปลเวทนากันว่าสวยสุขสวยทุกหรือสวยเป็นทุกไม่สุขก็มาจากคำอัตตาหรืออัตมันซึ่งมีคำแปลอีกอย่างหนึ่งว่าผูกกิน หรือผู้สวยนั่นเองโดยที่มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถึงอาการทาง จ, จิตใจว่าในบุคคลทุกคนนี้ เมื่อดูผิวเผินภายนอกก็เห็นให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่เท่านั้นอันเป็นความหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่มีชีวะอยู่ฉะนั้นจึงได้แปลอัตตาอัตมันหรือตั้งชื่อว่าอัตอัตตาอัตมันเอาแค่ความหมายว่าหายใจเท่านั้น ต่อเมื่อได้มีความสังเกตลึกเข้าไปอีกว่าไม่ใช่ใหายใจเท่านั้นยังรู้จักเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขหรือว่ายังมีความรู้จักกินสุขกินทุกข์เป็นกลางๆงหรือกินกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ด้วย และที่ว่ากินหรือสวยนี่ก็ส่องเข้ามาว่ามีความรู้ลึกเข้ามาถึงภาวะทางจิตใจเพราะฉะนั้นความเป็นอัตตาเรื่องอัตมันนั้นจึงไม่ใช่เพียงว่าให้ใจเข้าให้ใจออกได้เท่านั้นยังรู้จักกินสุกสวยสุกกินทุกสวยทุกกินสวยสิ่งที่เป็นกลางๆงไม่ทุกไม่สุกอีกด้วย นี่เป็นที่มาของสรรพัปปาตนาหรืออัตมันที่เราแปลกันว่าตัวตนแต่อย่างไรก็ดีย่อมส่องความว่าหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นตัวสำคัญของชีวิต นี่เป็นที่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือพุทธโธซึ่งหมายถึงองค์พระสัมาสมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อนำคำว่าพุทธโธ มาประกอบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงสมควรที่จ ะ, จะเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยในเบื้องต้นจับตั้งแต่คำว่าพุทธโธ ท, ที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้สอนให้รู้สอนให้ตื่นเนื้อปลุกให้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นเมื่อห้ใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันหมายถึงว่ากำหนดกำหนดจิต ในลมหายใจเข้าพร้อมกับพุทธกำหนดจิตในลมหายใจออกพร้อมกับโทไม่ใช่หมายความว่ากล่าวด้วยวาจาหรือเปล่งเสียงออกมาว่าพุทธโทหมายความว่ากำหนดด้วยใจกำหนดด้วยใจ ว่าให้ใจเข้าพร้อมกับพุทธกําหนดด้วยใจว่าให้ใจออกพร้อมกับโทก็ให้พิจารณาด้วยว่าพุทธโทปแปล ว, ว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้ ตั้งต้นแต่รู้ว่าให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจออกถ้าไม่รู้ว่าให้ใจเข้าไม่รู้ว่าให้ใจออกด้วยส่งใจไปในที่อื่นถึงแม้ว่าจะปรากฏถ้อยคำว่าพุทธอยู่ในใจ ก็ยังไม่บังเกิดผลส่งใจไปในที่อื่น <c oughs> ก็ไม่รู้ลมให้ใจออกถึงจะมีกำหนดอยู่ในใจว่าโท <c oughs> ก็ยังไม่สำเร็จผลเพราะฉะนั้นแม้จะรู้อันเป็นความตรัสรู้ ไม่ได้ก็ให้ภูปฏิบัติรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกโดยไม่ส่งใจไ่ในที่อื่นให้กำหนดจิตอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหายใจเข้าพุทใหายใจออกโทก็แปลว่าได้รู้อันเนื่องมาจาก ระคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธและก็ต้องเป็นภูตตื่นอันหมายข่าวมาตรองไม่ง่วงไม่ง่วงเหงาหาานอนมีจิตใจตื่นตระงอยู่ด้วยความรู้ หรือรู้ด้วยความตื่นให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทใจตื่นใจไม่ง่วงเหงาดังนี้จึงจะได้ประโยชน์และจะต้องเบิกบานพุทโทผูเบิกบาน เมื่อให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทจะต้องทำใจให้เบิกบานไม่ให้ใจห่อเหียวฟุบแฟบเกียดครั้นเบื่อหน่ายระอาเกลียดชังในการที่ต้องมากำหนดปฏิบัติ ต้องทําใจให้เบิกบานและพุโทโธซึ่งแปลว่าภูเบิกบานนั้นท่านอธิบายว่าเบิกบานในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่เหมือนอย่างดอกบัวบานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น ก็ต้องคอยปฏิบัติชำระจิตใจอย่าให้นิวรนเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองจิตฟุง้งซ่านจิตห่อเหี่ยวจิตเบื่อหน่ายจิตระอาจิตเกลียดชังในการปฏิบัติ เหล่านี้ไม่เป็นคุณธรรมท้งนั้นคุณธรรมจะต้องเป็นความที่มีสติมีสัมบัญญะคุมจิตใจมีชันทะความพอใจมีปราโมดความบันเทิง จึงจะเป็นความเบิกบานฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนั้นต้องให้จิตรู้ให้จิตตื่นให้จิตเบิกบานเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พุทธโทเข้ามาตั้งอยู่ในใจ และที่ได้พุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจนั้นก็คือได้พระคุณของพุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในใจคือได้ความรู้ได้ความตื่นได้ความเบิกบานแม้ว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานจะไม่ ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ต้องบอเหมือนเอาแค่ว่าไม่ใกล้พระพุทธเจ้าจะยังไกลจากความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้ามากกว่าตามแต่ว่าก็ยังเป็นอันว่าได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ภายใน รัศมีแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานของพระพุทธเจ้าได้สักนิดหนึ่งเหมือนอย่างแค่แสงของหิ่งห้อยก็ยังดีกว่ามืดมิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รู้ไม่ได้ตื่นไม่ได้เบิกบานอะไรเลย